ท่านพระดุลยเดชที่นับถือทุกลุกขอขอร้งจงครองท่านประธ า, า, า, า, านมูลพิทิกษ์างพิสูจเพื่องสรงพคิภากท่านดัชนีเทสท์พรบิทักน์ท่านกองอธิการบดี ผูช่วยศาสอาจารย์พัเตอร์ช น, นหนท์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนานทาท่านคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านในโอกาสที่พวกเราได้มาร่วมกันเพื่อระลึกนึกถึง ขดุประการขอ ง, ของเจง้รษษ า, จาระคุณสมเด็จพระพุทธาภรณสาจอานุประยุทโตที่มีต่อพระศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของสันติภาพและทางมู้เดินที่การศึกษาเพื่อสันติภาพได้จัดการปราฏกถาเป็นประจำ ในหัวข้อที่ได้เลือกและกำหนดแต่ละครั้งในสิ่งที่เรียกว่าบริบทคือสถานการณ์แวดล้อมในช่วง น, นั้นและเนื่องจากว่าปาณกถาในปีนี้จัดขึ้นภายหลังจากที่พระธรรมปิดก ซึ่งเป็นราชินานาที่ทำให้เกิดมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพนี้ได้รับโกรธกล้าสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธโภศอาจารย์ก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการปราศรัครั้งนี้ บทบาทของพุทธบริษัทในการจันโลงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนจึงรวมถึงบทบาทของเจ้าพุทธสมเด็จพระพุทธโธสาจาักรไปในตัวเพื่อก่อให้เกิดแรงบันดาลใจของพวกเราในการที่จะ ทำหน้าที่ทารงรักษาสืบทอดธรรพุทธศาสนาต่อไปจึงต้องศึกษาทาความเข้าใจบทบาทของผู้ที่เป็นที่มาของมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพเวลาเราพูดถึงการทำรงรักษาธราพุทธศาสนาให้มีความจเจริญรุ่งเรืองนั้น ก็เนื่องจากว่ามีเรื่องที่น่าเป็นห่วงก็คือเราไม่ต้องการให้พระพุทธศาสนาเสื่อมหายสูญหายหรืออันตรทานไปจากโลกใบนี้เราจะต้องช่วยกันรักษาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาถ้าพระพุทธศาสนาอันตรทานไป จะด้วยเหตุใดก็ต่าก็หมายถึงเกิดความเสือ่อมโทรงเกิดความอ่อนแอและโบราณอาจารย์ท่านตั้งข้อสังเกตว่าเวลาพระพุทธศาสนาจับเสื่อมศูนย์ไปจากดินแดนใดก็ต่าจะมีปรากฏการณ์สามลักษณะให้เป็นที่สังเกต ท่านเรียกว่าศาสนาอันตรธานหรือการที่พระศาสนาอันตรธานแต่ก่อนพระศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองในอินเดียก็อันตรธานไปจากอินเดียกว่าจะฟื้นกลับมาก็ไม่มีแรงไม่มีกำลังแล้วในอินเดียนั้นพุทธศาสนาอ่อนแอมากในดินแดนภาคใต้ของประเทศไทยประจนถึงอินโดนีเซีย เป็นที่ตั้งของอาณาจักรสี่วิชัยพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมากในดินแนดนแถบนั้นเดี๋ยวนี้ในอินโดนีเซียมีผู้สนาเพียงน้อยนิดไม่ถึงหนึ่งเอร์เซนของประชากรทำไมผู้สนาบจะอันตรฐานไปจากดินแนดนที่เป็นของบ้านเราภาคใต้เนี่ย เลยไปจนถึงอินโดนีเซียมันเป็นปราลกตการที่เราควรทาความเข้าใจและ เ, เวลาที่พระศาสนาจะอันตรฐานเสือ่อมหายไปนะั้นมันจะมีสามขั้นตอนด้วยกันที่เรียกกันว่าปริยัติอันตรฐานปฏิบัติอันตรฐาน และปฏิเวธอันตรธานมันมีสัญญาณเตือนภัยว่าตอนนี้มีความเสื่อมจนถึงขั้นอันตรธานไปถึงขั้นไหนในสามอย่างเนี่ยถามว่าอะไรอันตรธานไปก่อนปริยัตคือการศึกษาความรู้เลือกทข้ใจปิฎก คำสอนเป็นแก่นของศาสนาปฏิบัติคือนำเอาความรู้นั้นมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาและปฏิเวทคือมัดผลของการปฏิบัติเมื่อศาสนาจะอันตรฐานอะไรอันตรฐานไปก่อนข้อสาไปก่อนหมายถึงผู้บรรลุมักผล น, นิพพาน หมดไปจากประเทศอันนั้นถ้าพุทธศาสนาจะหมดไปจากอินเดียเนี่ยพระอรหันต์ก็ไม่มีแล้วอนาคามีแม้กระทั่งเรียกว่าผู้ได้ฌานสมาบัติพระโสดาบันก็ไม่มีไม่มีพระอริยเจ้าปฏิเวสอัตตราฐานเมื่อปฏิเวสอัตตราฐานไประยะหนึ่งยาวนานแค่ไหนก็ไม่รู้ละ การปฏิบัติก็เสื่อมหายไปไม่มีคนรักษาศีลไม่ปฏิบัติกรรมฐานไม่มีปัญญาในทางพุทธสนาปฏิบัติอัรตรฐานแต่แม้ว่าการปฏิบัติจะสูญหายไปปาฏิเวษจะหมดไปาศาสนายังไม่อันตรฐานตราบใดที่ยังมี การเรียนการสอนพระไตรปิฎกปริยัตยังอยู่ตราบใดศาสนาหรือพระพุทธศาสนายังอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นในประเทศไทยถ้าเรายังเรียนยังสอนพุทธศาสนาอยู่ถือว่าเป็นประเทศพุทธศาสนาแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามไม่รู้จักพระพุทธประธรรมพระสงค์ไม่มีการศึกษาธรรมะ ชื่อว่าแมแต่การเทศการสอนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยไม่มีการรู้จักพระรัตนตรัยพระพุทธศาสนาหมดอันตรธานไปแล้วคนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปริยัตอันตรธานฉะนั้นปริยัตเนี่ยจึงเป็นปราการด่านสุดท้ายของการจันร์ลงพระพุทธศาสนา และเป็นเบื้องต้นด้วยถ้าเรียกว่าเป็นต้นน้ําปลายน้ําเสร็จเราจะปฏิบัติได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอะไรอย่างไรก็คือปริยัติต้องเรียนว่าพระพุทธธรรมประสงค์คืออะไรศีสมาธิปัญญาคืออะไรจึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องมันไม่ใช่าศาสนาอื่นปลอบปลนเข้ามาแล้วเมื่อปฏิบัติถูกต้องปดิีเวสคือผลของการปฏิบัติมันก็จะตามมา ฉะนั้นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างที่รัฐบาลไทยทําให้เรียนพุทธศาสนาในโรงเรียนและวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนตั้งแต่เรียกว่าปถมขึ้นมาจนมัธยมอุดมศึกษาเนี่ยมันก็คือการจันทร์ลงพระพุทธศาสนาและถ้าเมื่อใดพยายามที่จะเอาหลักสูตรวิชาพุทธศาสนาออกไปจากโรงเรียน ออกไปจากมหาวิทยาลัยมันก็เป็นกลยุทธ์ในการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาปริยัติเป็นกระดูกสลักของการทำลงรักษาพุทธศาสนาดังนั้นพระโบราณอาจารย์เนี่ยท่านจึงประพันธ์เป็นภาษาบาลีเป็นเรียกว่าสองพันปีมาแล้วเนี่ยสองพันกว่าปีมาเป็นภาษาบาลีว่าอย่างนี้แปลว่า การศึกษาปริยัติคือการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นหลักในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาเพราะว่าบัณฑิตได้เรียนพระไตรปิฎกแล้วย่อมทำการปฏิบัติและปฏิเวทให้บริบูรณ์ได้ปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยเหมือนขุมทรัพย์ปริยัตเหมือนกับแผนที่ เราเอาขุมทรัพย์ไปซ่อนไว้แล้วไม่มีแผนที่เนี่ยมีมันก็ไม่มีมันหายไปเลยนะแต่ถ้าเรายังมีแผนที่เดินทางว่าจะไปเอาที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันยังไม่หายนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีขุมทรัพย์ดีแต่ไม่รู้ว่าซ่อนอยู่ที่ไหนลายแทงก็ไม่มีมันกลับมาไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่เราจะสอนกรรมาฐานเนี่ย บางคนเนี่ยบอกวชเข้ามาแล้วไม่ต้องไปเรียนอะไรมากเราปฏิบัติเลยถ้าทั้งประเทศปฏิบัติโดยไม่สอนเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าที่ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นกรรมฐานแบบพุทธมันไม่ใช่กรรมฐานแบบพินดูแบบพรามณ์อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ากรรมฐานสมถานกรรมฐานก็มีในศาสนาอื่นฉะนั้น ตัวปริยัติคือการศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นแม้แต่ในการบอกกรรมฐานก็ต้องอาศัยความรู้ปริยัติของผู้บอกไม่งั้นสอนกรรมฐานกลายเป็นกรรมฐานาศาสนาอะไรก็ไม่ทราการเรียนพระไตรปิฎกการเรียนธรรมะจึงเป็นหลักประกันว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นถูกต้อง และเมื่อปฏิบัติผูกปฏิเวทก็ตามมาดังนั้นเองเ ม, ออาาอเมื่อพุทธศากสนตรานไปจากอินเดียเมื่อพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ดก็ประมาณ เ, าเรียกว่าแปดร้อยปีมาแล้วเนี่ยแปดร้อยเก้าร้อยปีมาพุทธนาหายไปจากอินเดียเนี่ยตัวปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันหายไปไปหมดเลยนะรู้จากอะไร ประเทศอินเดียในช่วงสุดท้ายของพุทธศาสนาเนี่ยหลักการเรียนการสอนพระไตรปิฎกนี่มันบิดเบือบนหมดเกิดลัทธิไสยศาสตร์เข้ามาครอบงำพระพุทธศานสนาเราเรียกพุทธศาสนาในช่วงนั้นว่าบนตรยา์ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกไม่ได้เรียนคำสอนหลักเอาแต่สวดคำสวดลึกลับมนตรา ก็คือสวดมนต์ปุกเสกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพุทธตันตราะเป็นไสยศาสตร์แล้วนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมาจากศาสนาไหนก็ไม่ทราบในสมัยนู้นก็คือพรามหมณ์หรือฮินดูเรียกว่าบูชาพะระพรหมพระวิษณุพระศิวะปนเปนกันหมดกับพระพุทธเจ้า จนกระทั่งเข้าไปในโบสเนี่ยดูไม่ออกว่ามันโบสพุทธหรือโบสพราม์ในที่สุดศาสน า, าพราหมณ์ก็เลยปลอบปนทุบเอาวัดเนี่ยเป็นของพราหมณ์ไปใครไปอินเดียในสมัยนี้นะไปที่ือสีเกต ย, ยไปดูโบสฮินดูเนี่ยนะจะมีรูปเหลือเรียกว่ารูปเทวรูป นาลายอาวตารแต่ละปางแต่ละปางเนี่ยสิบปากไปเดินดูลง้มงปางสุดท้ายเป็นพุทธรูปเห็นกระตาเป็นพุทธรูปอยู่แล้วก็เขียนว่าพุทธาวตารเขากลืนเราในสมัยโน้นด้วยการบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ใครแล้ว คือพระนารายณ์อวตาพรพระวิษณุเนี่ยพระนารายณ์เนี่ยอวตารลงมาเกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าสิทธัตถะแล้วเป็นพุทธเจ้าเหมือนที่อวตารลงมาเกิดเป็นพระรามคนก็ไหว้กันพระพุทธเจ้าเนี่ยและก็แยกไม่ออกว่าเป็นาศาสนาพุทธหรือาศาสนาปรามปนกันหมด เดี๋ยวนี้ก็ยังสอนอย่างนั้นในอินเดียเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกที่อดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดียบางท่านมีพุทธ ร, รูปอยู่ในธรรเนียบของเขาสภิ ร, รัฐ บ, บาลไม่แปลกเพราะเขานับถือไม่ใช่ในฐานะเป็นศาสนาต่างจากศาสนาพราหมณ์ยินดู้ เขานับถือในฐานะเป็นพุท ธ, ธาวาตไม่ได้หมายความว่าคำสอนพุทธศาสนาไม่มีนะในอียิปต์แต่มันเป็นยี่ห้ออื่นไปแล้วเอาของพุทธเจ้าเนี่ยไปแปลยี่ห้อของเขาหมดแหลวโดยถ้าจะพูดกันคนที่สอนอย่างนี้มีชื่อว่า สังกรรจารนาเราไปศึกษาประวัติของสังกรรจานมาบวชมาศึกษาธรรมะของเราแล้วก็เอาไปดัดแปลงให้เป็นของพราหมณ์ินดูผู้ที่ชื่อว่าสังกรรจานเนี่ยคนนับถือมากในอนียเร่เราประสบความสาเร็จตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระที่เก่งๆในสมัยนั้นเนี่ยที่เก่งในการเทศการสอน เรียกว่าเก่กปริยัติเนี่ยศูนย์ไปจากอินเดียด้วยภัยสงครามภัยสงครามเกิดจากการรุกรานด้วยกองทัพมาจากสุรกีกแล้วกันเนติมกก น, นะเผามหาวิลลยนารันทาซึ่งเป็นขุนพลของสติปัญญาพุทธศาสนา ฆ่าพักหมดเลยในพุทธศตวรรษที่สิบเจ็ดนี่ยโชคร้ายที่วัดเดนแดรพุษาสนาเนี่ยเราอยู่ภาคเหนือของอินเดียที่มหาวิทยาลัยนานันทายอยู่เนี่ยเป็นภาคเหนือคทณนี้พอศาสนาที่ลบทับจับศึกเข้ามาเนี่ยเพื่อยแย่งศาสนกเนี่ยนะเขาใช้กำลังฆ่าทำลาย โดยเฉพาะที่มหาวิเลยล์นารันทานั้นเขาบังคับให้เปลี่ยนศาสนาถ้าพระไม่เปลี่ยนศาสนาของข้าพระที่มีความรู้ถ้าไม่อยากหนีตายไปอยู่เนปาลเข้าไปในที่เบตเยอะเลยส่วนคัมภีร์พระพุทธศาสนาสมัยก่อนมันเป็นใบลานใช่ไหมอยู่ในห้องสมุดมหาวิเ ล, ลัยนารันทาเนี่ยเผาเรียบเลย ใช้เวลาเผาอยู่สองเดือนโดยที่นักประวัติศาสตร์ที่ร่วมมากับกองทัพเนี่ยบันทึกไปหมดขงพังสติปัญญาของศาสนาที่จะมาชี้แจงว่าพุธศาสนาจ า, จากศาสนาตามจ า, จากศาสนาฮินดูอย่างไรเนี่ยไม่เหลือซากเลยไทยจะภายนอกเข้ามาถล่มทำลาย ไทยจากภายในคือความอ่อนแอที่ใจดีให้เขาเข้ามาลอกเรียนเอาไปหมดบริษัทพระพุทธศาสนาล้มละลายเขาเอายี่ห้อเอาแบรนด์นเนมไปเลยไม่เหลืออะไรพุทธนาก็อันตรธานไปจากอินเดียนีน่คือบทเรียนจากอดีต ถ้าเราได้สังวรระวังไม่ประมาทเราก็จะรักษาศาสนาไว้ในดินแดนพุทธภูมิได้แต่ที่รักษาไม่ได้เพราะเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนจะปรินิพพานเนี่ยนะฝากพระพุทธศาสนาเป็นมรดก ให้พุทธบริษัทช่วยกัน ร, รักษาโดยให้พุทธบริษัทช่วยกันทำโรงรักษาพุทธนาเนี่ยพุทธบริษัท4ี่คือพิกษูพิกษูนีบาสุบาริกาเนี่ยรักษาพุทธนาด้วยการทำหน้าที่คือบทบาท4ประการในสประการนี่รวมถึงพวกเราทั้งหมดที่นี่นะถ้าเรารักพระพุทธศาสนาอยากให้พุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองต่อไปเนี่ย เราต้องทาหน้าที่สี่ประกาศที่พระพุทธเจ้าได้สั่งเสียไว้ก่อนเสด็จดบขันธ์พระปรินิพพานคำสั่งเสียของพระพุทธเจ้านี้อยู่ในพระสูตรสุดท้ายเลยเรียกว่ามหาปรินิพานสูตรพระสูตรที่เล่าเหตุการฉากสุดท้ายในชีวิตของพระพุทธเจ้ามหาปรินิพานสูตร ในมหาปริธิพานสูตร น, นี้ได้พระเจ้าได้สอนได้สั่งเสียพุทธบริษัทให้ทาหน้าที่4ประการน 1. ศึกษาธรรมะก็คือเรื่องปริยัตินั่นแหละ 2. ปปฏิบัติธรรมะที่ศึกษานั้นก็คือปริยัติปฏิบัติและก็ปฏิเวติตร ตัวเองจะได้ไม่ได้เรียนอย่างเดียวต้องปฏิบัติด้วยสามอย่าไปรู้คนเดียวอย่าไปเก็บไว้คนเดียวช่วยกันเผยแผ่คือประกาศธรรมแบ่งปันสิ่งที่เราเรียนที่เราปฏิบัติเนี่ยเพื่อแผ่ไปยังผู้อื่นเผยแผ่ไม่ใช่เผยแพร่เผยแพร่เราเริ่มจากสิ่งเล็กขยายให้มากขึ้นเช่น แพร่ข่าวสารข่าวสารมันเกิดจากแหล่งข่าวคนเดียวติ๊บิเรากระจายข่าวเรียกว่าเผยแพร่เผยแพร่แพร่เชื้อโรคโรคมันมีมาจากคนไข้วัดนกมาจากคนคนเดียวกระจายไปทั่วหมดเรียกว่าแพร่แพร่นะแต่เผยแพร่ หมายถึงเผยแพ่เริ่มจากเล็กไปใหญ่เผยแพ่จากใหญ่ไปหาเล็กเช่นแพ่กฤษดาพินิหารพระนเรศวรมหาราชปกครองประเทศสยามประเทศไทยแพ่กฤษดาพินิหารของพระองค์ไปยังประเทศเคื่อนบ้านนี่เรียกว่าเผยแพ่ โบราณท่านถือว่าพุทธศาสนานั้นยิ่งใหญ่ในประเทศของเราเราเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังชาวเขาไปเดี๋ยนี้ไปยุโรปไปอเมริกานี่เรียกว่าเผยแผเเ่เราเราเราเผยแผ่พุทธศาสนาเข้าไปในโรงเรียนในชุมชนเนี่ยเรียกว่าเผยแผ่ประกาศขับวสุดท้ายข้อที่สี่ เวลาที่ใครมาโจมตีมาทําลายภัยจากภัยนอกภัยจากภัยในก็ตามเราต้องช่วยกันอุปถมปัมภุ้ญทองปกป้องพระพุทธศาสนาอันนี้สี่อย่างนี้มาจากคำนี้นย่ยกคามาจากมหาปริิญพานสูตรทีนี้ทําไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรื่องนี้ในมหาปริญพานสูตรเรื่องเป็นอย่างนี้ ในมหาปรินิพพานสูตรนั้นมีเหตุการณ์สมเดือนก่อนพุทธเจ้าปรินิพพานพุทธเจ้าปรินิพพานในวันเพน็ญกลางเดือนหวันวิสาขา์เหตุมีเรื่องให้สังเสียเนี่ยเกิดเหตุในวันเพน็ญเดือนสเราเรียกว่าวันมาฆบูชาในปัจจุบันเนี่ยสมเดือนก่อนพุทธเจ้า ปรินิพานมานมาทวงสัญญาคําว่ามานี้หมายถึงเทวปุตตมารก็ได้หรือสังขารพระองค์ก็ได้เรียกว่าไม่ไหวแล้วประชวรหนักแล้วสังขารละมาศก็ได้นะเหมือนกับพระพุทธเจ้านี่ได้ตรัสว่าแล้วมาเล่าให้พระอานนท์ฟังว่ามามาทวงสัญญาว่าบัด น, นี้เนี่ยถึงเวลาจะปรินิพานแล้วนะ จะสิ้นชีพได้แล้วเพราะอะไรเพราะตอนตัสรู้ใหม่ๆหมานเคยมาเคยมาขอว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าหมดกิเลสแล้วไม่มีความอยากเพราะเพราะะนั้นไม่ต้องอยู่ไม่ต้องมีชีวิตอยู่แล้วเพราะเป็นพระอรหันต์ผู้ไยจากกิเลสแล้วจะอยู่ไปทำไมไม่มีกิเลสเป็นพระอรหันต์นี่ อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ตายซะดีกว่านมานมายุบให้ตายเพราะไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าตอบว่าไงทาตอบในภาษาของเราก็คือไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองได้อยู่เพื่อคนอื่นคนที่หมดกิเลสเนี่ยพ้นจากความทุกข์ก็สงสารคนอื่นที่มีความทุกข์ เรียกกะรุณาคือสงสารเหมือนคนที่ขึ้นไปอยู่บนบกเคยตกน้ำไปขึ้นไปอยู่บนบกริมตลิ่งก็ไปช่วยคนตกน้ำอะ่ะตอนนี้เราพ้นจากบุกมาและบวกมาพ้นจากทุกจะต้องสอนสันทัศน์ให้พ้นทุกก็จะเกิดผู้ปฏิบัติตามก็คืออบริษัทธสี่ ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าตราบใดที่สาวกคือผู้ปฏิบัติตามของเราเนี่ยยังไม่เข้มแข็งในสี่เรื่องเราจะไม่บรรลนิพพานในสี่เรื่องก็คือบอกกับมาในช่วงตัสรุปใหม่ๆเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องศึกษาธรรมะถ้าเราจะไม่บนิพพานถ้าสาวกของเรายัางไม่เฉียบแหลม ไม่ได้รับคาแนะนําที่ถูกต้องไม่แก้วกล้าไม่เป็นพู้หูสูลเราจะไม่ปรรลุนิพพานนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเราจะไม่ปรรลุนิพพานถ้าสาวกของเรายังไม่ปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ทํามไม่ปฏิบัติชอบไม่แบบพื้นธรรมข้อสาเราจะไม่ปรรลุนิพพานถ้าสาวกที่เรียนธรรมะแล้วยังไปเผยแผ่ไปสอนไปบัญญัติไปแสดงไปเปิดเผยไม่ได้ นี่คือคำของพระพุทธเจ้าแล้วข้อที่สี่เราจะไม่ประนิพนธ์ถ้าสาวกของเรายัางแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์คมขีป ร, ปรัปปวาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ป ร, ปรัปปวาทคือการโจมตีเมื่อคนในศาสนาอื่นมาโจมตีพุทธศาส น, าน์นี่เราออกมาปกป้องได้ไหมเนี่ยเราจะได้ยินเลยนะยโสเลยทำมากไม่ดีเราเรื่องสันโดษเนี่ยงอมืองอเท้า ท้าไม่ขี้เกียจเราจะแก้ได้อย่างไรเขามาบิดเบือนน่และจะตอบโต้่สันโดษมันดีอย่างไรแล้วมันไม่ใช่อย่างที่กล่าวหาอย่างไรอย่างเนี้ยพุทธบริษัทสี่ต้องออกมาปกป้องถ้าหากว่าเกิดภัยในพุทธศาสนาไม่ว่าจะภัยภายในภัยภายนอกเราจะปกป้องคุ้มครองคุณธรรมคุ้มครองพุทธศาสนาได้อย่างไรโดย สอย่างนี้เนี่ยเป็นบทบาทของพุทธบริษัทในการทำโรงรักษาศสนาทีนี้ถ้าเราจะศึกษาบทบาทของพุทธบริษัทเนี่ยเราจะดูตัวอย่างใครก็ดังที่ได้กรึกตอนต้นแล้วว่าวันนี้เรามาปาตกาถาในกรอบของมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปีดอปออ ป, ป, ปยุโตโ ก็ไม่ยากเราได้ดูวินีทัศน์ของเจ้าประคุณสมเด็จพอปอปยุโตแล้วเนี่ยเราก็มาศึกษาบทบาทของท่านในสี่ด้านอีกท่านทำอะไรจะได้เป็นแบบให้เราเดินตามทางของท่านว่าในเรื่องการศึกษาธรรมะเนี่ยท่านทำอย่างไรปฏิบัติทำอย่างไรเผยแผ่อย่างไ ร, เ พ, งไรเพื่อทำปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนา ทำอย่างไรรู้บทบาทของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธภูสาจารย์เป็นรูปประธรรมแล้วเราก็เอามาประยุกเข้ากับตัวเราเองในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนิติศึกษาเป็นประชาชนได้มีโอกาสไปบรรยายเกี่ยวกับงานของท่าน บ, าบา่อยๆที่จังหวัดสุพรรณบุรี แดีปีปีนี้ก็ไปพูดที่ชาติภูมิสถานท่าน เ, าเกิดที่ตลาดศรีประจักรทางพี่น้องของท่านเนี่ยได้เก็บรักษาบ้านที่ท่านอยู่ตอนเด็กเนี่ยนะแล้วบูรณะอย่างดีในตลาดศรีประจักรเรียกว่าแล้วก็มีก า, ารดูแลรักษา ทำประวัติทำสิ่งของแสดงว่าท่านเคยอยู่ยงนี้ทำยังนี้มีสิ่งของวัยเด็กหมดให้คนได้ไปดูไปเยี่ยมเรียกว่าชาติภูมิสถานปออมยุตโตที่ศรีปรรจารย์นัก ศ, ศึกษาควรจะไปดูนะให้เกิดแรงบรนาจนจว่าชีวิตท่านสร้างตัวของท่านมาอย่างไรและทุกปีในวันเกิดของท่านวันที่12มกราคมเนี่ยท่านก็จะนิมนต์ผู้พูดเนี่ย ไปทงกรรมการที่จัดงานเนี่ยไปได้กล่าวธรรมการถาถึงท่านก็ไปเกือบทุกปียกเว้นที่มีภาระปีนี้ก็ไปไปพูดเกี่ยวกับพระเจเสมเด็จปอปยุตโตเนี่ยสมเด็จพระโสาจารย์แล้วยังได้พบกับท่านด้วยในวันนั้นท่านก็นไปดังนั้นจึงมีอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะเล่าในฝังว่า จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราคนหนุ่มสาวเนี่ยได้ศึกษาปฏิปทางานของท่านในสีราชเนี่ยศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ปกป้องคุ้มครองศสนาเนี่ยท่านทำอย่างไรและท่านคาดหวังให้พุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะ่หรือเป็นอยู่ในพิษุทิวิสณุปัสสเดีิวกานก็ตามได้ทำหน้าที่จันโลงพุทธศาสาอย่างไรทีนี้เวลาที่เรา ศึกษางานของท่านเนี่ยท่านมีหนังสืองานนิพนธ์หลายร้อยเลื่องเราจะต้องรู้ว่านามปากกาเวลาใส่วงเล็บเนี่ยคือปออไปยุตโตเพราะอะไรเพราะว่าสมรรศักดิ์ที่ท่านใช้ในที่ปกหนังสือแต่ละช่วงเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะเวลาที่เราอ่านหนังสือของท่านพุทธธรรมฉบับดั้งเดิมอะ ชื่อผู้ประพันธ์เนี่ยคือพระศรีวิสุทธิโมลีเพราะตอนนั้นท่านเป็นท่านได้รับพระราชทานสมณศักิ์ตั้งแต่ปี2512เนี่ยเป็นพระศรีวิสุทธิโมลีแล้วดูปกหนังสือพอท่านเลื่อนมาปี2516เป็นพระรา ช, ชวรบรุณีพระรูปอื่นก็เป็นพระศรีวิสุทธิโมลีแทนอันนี้ที่เราจะต้องรู้พระศรีที่สุดที่โมรีปัจจุบันนี่ ไม่ใช่ท่านแล้วเพราะว่ามันเป็นราชเทียนามเอยกับคนประสวมมาสวมแทนชื่อราชเทียนามคือชื่อที่พระเจ้าแผ่ดินตั้งให้เนี่ยจะเปลี่ยนไปให้พระลูกอื่นมาครองแทนเมื่อว่าฉะนั้นพระศรีวิสุทธิ์ชิมเลรีเราจะต้องดูวงเล็บว่าเป็นองค์ไหนถ้าวงเล็บท่านจะใส่วงเล็บว่าปอ อ, อไปยุตตอเวลาที่เราเขียนพระธรรมปีดกเนี่ย พระธรรมปีโก ป, ปัจจุบันโน้อยู่วัดพุทธบาทเจ้าว่าพุทธบาทสระบริเว็พระธรรมปิโกแต่พระธรรมปิโดที่หมายถึงนี้หมายถึงเจ้าประคุณสําเร็จในปี2136ท่านเป็นพระธรรมปิโดปี2 3 7ได้รางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพเพราะฉะนั้นเราจึงใส่ว่าพระธรรมปีโดรูปนี้คือปอประยุทธ์โตปก็คือประยุทธ์ ออกก็นำสกุลท่านอารยานุลปยุตโตคือฉา ย, ายาในพระศาสนาปอออกปยุตโตปีสองพันห้าร้อยสามสิบท่านเป็นประเทศเวทีเราไปอ่านหนังสือในช่วงนั้นเนีย่ยไปหาตามห้องสมุดเนี่ยเห็นพระเทศเวทีต้องดูบ่า น, นะปอออกปยุตโตหรือเปล่าพระเทศเวทีเอพระราชรบนิพนธ์ปีดกและ ก่อนที่จะมาเป็นสมเด็จเราก็จะเห็นหนังสือในตลาดอยงเยอะเลยนะเป็นพระพรหมกุณาภรณ์พระพรหมกุณาภรณ์เนี่ยแต่ก่อนอเป็นผู้เป็นพระพรหมกุณาภรณ์คือสมเด็จวัสเกตนะเจ้าพระคุณสมเด็จอุปเสนมหาเถระเนี่ยเป็นพระพรหมกุณาภรณ์แล้วต่อมาเมื่อพระพรหมกุณาภรณ์ว่างลงคือลองสมเด็จเนี่ยเจ้าประคุณสมเด็จประยุทธ์เนี่ย ก็มาเป็นพระพรหมพุนาพรตั้งแต่247ฉะนั้นเวลาเราซื้อหนังสือในตลาดเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าในร้านหนังสือเนี่ยมีคำว่าปอปไปยุทธ์โตอยู่ในวงเล็บด้วยหรือไปค้นในอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ใดๆก็ตามถ้าไปหาพระพรหมพูาพรนี่เยอะมากหลายองค์แต่ถ้าจะศึกษางานของเจ้าประคุณสมเด็จ ประยุทธ์เนี่ยมันจะต้องมีคำว่าปออประยุทธ์โตและได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักิ์เป็นสมเด็จพระทพรัตน์อาจารย์ในปี2559คือปีที่แล้ว5ธันวาคมก่อนหน้านี้ท่านเป็นพระถรขมกุณาภรณมาปีนี้เนี่ยท่านเป็นสมเด็จพระทพรัตนาจารย์และท่านใช้เป็นนามปากกาด้วยนะเวลาพิมพ์หนังสือก็ ไม่เอาพระปลงคุณาภพขึ้นปกแหละพุทธธรรมสมเด็จพระเทโกษาจาร์ปออไปยุติโตในประวัติอายุ12 13าปีเนี่ยกว่าจะมาเป็นสมเด็จพระเทสโกษาจาร์เนี่ยท่านบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ12บสาปีนี่นะและเป็นแบบของการศึกษาปริยัติจนสอบได้ เรียนทำเก้าประโยคเรียนบาลีเนี่ยเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยซึ่งยากมากเรียนบาลีเนี่ยยากมากนะเพราะว่าผู้ผู้พูดนี่ก็ได้ประโยคนเก้าได้ปริญญาเอกพอเทียบกันแล้วเนี่ยถ้าถามว่าที่เรียนมาทั้งหมดระหว่างประโยช9ก้ามจนถึงปริญญาเอกเนี่ยอะไรยากที่สุดต่อว่าประโยค9เก้าแล้วยิ่งได้ประโยค9เก้าเป็นสามเณเนี่ยนะ เขาเรียกวปเปรียบไปไปไประโยค9เกียร์นิยมเลยละเกียร์นิยมระดับหนึ่เลยนะประโย ค, ดดเยนะโยค9เกียร์นิยมเอาอย่างนี้กันละกันในมหาจุฬาเนี่ยที่เป็นนอธิการบดีเนี่ยมีอาจารย์ที่ได้ป ร, ริญญาทำแปดประโยคแปดประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศได้มหาบัณฑิตกลับมาท่านก็สอบประโยค9้าไปเรื่อยๆ ก็ตก อ, อยู่นั่นแหละจนไม่ทนไม่ไหวลาไปเรียนต่ออินเดีย จ, จนจบปริญญาเอกกลับมามาสอบไปเยาวกลับก็ยังตกอยู่นั่นแหละจนวรรณภาพก็ไม่ได้ไปได้ปริญญาเอกเือนะวรรณภาพไปแล้วปริญญาเอกก็จบไปแล้วอะไรก็จบไปแล้วเหลืออยู่ชั้นเดียวปีเดียวเนี่ยสอบไปยี่สิบปีก็ยังตกอยู่ไม่เอ่ยชื่อนะ พอท่านขึ้นบริณพไปเมื่อสองปีเนี่ยไปเผาท่านแล้ว เ, ออเพราะฉะนัออ้นเรียนยากรักษาพระศ า, าสนาพระไตรปิดกเมื่อสองวันที่แล้วพูดทางวัฒนธรรมของลาวพ้นวาระ ก, ก็ไปลาลากราประเทศลาวบอกว่าประเทศลาวตอนนี้เนี่ยนะพระลาวเนี่ยเรียน เปลี่ยนพระศาสนาเนี่ยผสม ก, กันกับทางโลกเหมือนกับวิธีธรรมสายสัมพันเนี่ยไม่มีมหาพระองค์เดียวที่เป็นมหาปรีย เ, เนี่ยบารณภาพหมดแล้วมหาวิจิตมหาพองจะสร้างมหาเป็ น, เ ป, นเป็นมหาปรียาคือเรียนบาลีเนี่ยนะประเทศลาวทั้งประเทศยังทําไม่ได้มันสาบศูนย์มันศูญย์หายตอนเป็นคอมมอนิสต์อะ ฟื้นเรื่องปริศติธรรมเรือนเรียนบ้านอันภาศนายถ้ามันเนี่ยฟื้นได้แต่เรียนบาลีเรียนพระไตรปิฎกในประเทศลาวจะต้องระดมมหาป ร, ริญญาไปช่วยสอนมีแถวนี้ไหมครับไปช่วยฟื้นหน่อยครับพราเนี่ยโทษวัฒนธรรมลาวกํำลังต้องการมหาวิเลยสง์กับยังไม่มีนะในลาวเนี่นะมีวิเลยสง์องค์ตื้อก็อยากจะตั้งมหาวิเลยสง์เขาบอกว่า ตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยจะตั้งมหาตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยปรากฏอาจารย์ยังไม่ครบปริญญาเอกยังไม่พอพระลาวนี่น ะ, อะขออาสาสมัครจากไทยไปช่วยหน่อยไปตั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์ในลาวแล้วเปิดหลักสูตรบาลีเรียนปริยัตศึกษาในลาวถ้าจะฟื้นขึ้นมาทางลาวนี่ห่วงใหญ่ว่าปริศนาในลาวเจ้าออนเอถ้าไม่เรียนบาลีไม่เรียน นักธรรม อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยทูตวัฒนธรรมเนี่ยมาปารมา์มาบทมาอําลาด้วยล่ะกลับไปแล้วฉะนั้นการที่เรียนยากเนี่ยนะท่านทั้งหลายเรียนประโยก้กาก็ยากจนกระทั่งในเป็นนักหลวมเนี่ยจะพระสมเด็จเนี่ยแล้วยังเรียนมหาจุลาไปพร้อมการปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่งนะแล้วได้เกียรติยศอันดับหนึ่งด้วย ทับด้วยท่านทําได้อย่างไรและที่สําคัญเนะีเมื่อกี้เราก็เห็นในประวัติของท่านแล้วไปสอนที่มหาวิเลัยในสหรัฐอเมริกามหาวิเลัยเป็นสิ้เวเนียเป็นสิ้เวเนียมหาวิล Harvard. เลยครับเวิร์ดเลคเชอร์เป็นภาษาอังกฤษได้มีคนถามท่านว่าแล้วท่านไปเรียนภาษาอังกฤษมาจากไหนท่านเรียนภาษาบาลีเก่งเนะี่ยไม่มีใครสงสัย แล้วเรียนภาษาอังกฤษมาจากไหนจบปริญญาเอกหรือเปล่าไม่จบท่านจบแค่ปริญญาตรีจากมจรมหาจุฬาจบประโยค9้าซึ่งเป็นภาษาบาลีไม่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วภาษาอังกฤษที่ท่านเก่งท่านพูดท่านเขียนท่านไปเรียนมาจากไหนนะท่านตอบอย่างนี้ท่านเล่าให้ฟังนะว่า เรียนมหาจุลาเนี huh ่ยสมัยโน้นเนี่ยเวลาว่างมันเยอะพอเวลาว่างเยอะก็ไปเอาตําราภาษาอังกฤษนะมาอ่านไม่ว่าจะเป็นตําราไวยากร์ไม่ว่าจะเป็นเอนไซโคลเปเดียอะไรต่างเนี่ยเรียนด้วยตนเองและอ้าวแล้วเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองอ่านอย่างเดียวนี่มันจะออกเสียงถูกต้องเหรอท่านฟังวิทยุขึ้นสั้นนะช็อตเวฟไปนะ สมัยก่อนเนี่ยทีวีก็ยังขาวดบแล้วสอนภาษาอังกฤษในทีวีเลยไม่ต้องพูดถึงสมัยโน้นไม่มีสอนภาษาอังกฤษทางวิทยุก็ไม่มีในประเทศไทยในสมัยโน้นเริ่มเกิดมีเทปแคเสเซ็ตนะในสมัยผู้พูดเนี่ยเป็นนิสิท์สอนจาก BBC หรืออะไรต่างๆกว่าจะได้เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยแพงแสนแพงหาสื่อไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรียนอยู่ในวัดมีข้อจำกัดเยอะและก็ไม่มีห้องโซนแต่ท่านจะบรคคุณสมเด็จเรียนภาษาอังกฤษยังไงเก่งมากก็คือสรุปแล้วเรียนด้วยตนเองนอกจากเรียนในห้องเรียนที่ครูบาอาจารย์ในมหาจุฬาสอนฟังไว i c e of a m e r เมริกาฝึกออกเสียงแล้วก็อ่านตำรับตำลักจนกระทั่ง เก่งภาษาอังกฤษซึ่งน่าเศร้าใจว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วภาษาอังกฤษเราล้าหลังเพื่อนนนิสิหนะ้าคึกษาเนี่ยรู้อยู่สี่คำในภาษาอังกฤษเราเรียนจบปริญญาตรีเนี่ย yes no okay หืฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นทั้งทั้งที่โอกาสพวกเราในรุ่นนี้เนี่ย ดีกว่ายุคสมัยเจ้าพระคุณสมเด็จเรียนมหาจุฬาเนี่ยไม่รู้กี่เท่าจะเอาสื่อจากในมหาวิทยาลัยก็มีโทรทัศน์วิทยุนั้นสือมีหมดเสียอย่างเดียวไม่เรียนเออไม่เรียนระเลับตื่นๆ่นคนไปถามว่าทำไมเจ้าพระคุณสมเด็จจึงเรียนเก่งท่านมีคติประจำใจอะไร ท่านตอบก็มีสองข้อข้อแรกบันฑดตย่อมฝึกตนไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดอย่าไปหวังแต่พรสวรรค์มันต้องมีพรสแวงมีพรสแวงด้วยและเมื่อฝึกตนแล้วเป็นยังไงถ้าจะทำอะไรต้องทำให้สำเร็จทำให้ดีที่สุดอันนี้คือคติประจำใจของท่านซึ่งเอามาจาก พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเวลาที่ อ, อยู่ใน พ, พ, พ, พระไายปีดกเนี่ยนะเวลาท่านเจ้าพระคุณสำเด็จท้เรียนบาลีเนี่ยก็จะแปลเจอเลยประโยคแรกที่เราเจอก็คืออยู่ในธรรมบทอันตนานทัศมัยัญติปันฑิตาแปลว่าบัณฑิตย่อมฝึกตนฝึกฝนตลอดเวลาบัณฑิตย่อมฝึกตนมาจากอันนี้เป็นคติประจําใจของเจ้าพระคุณสำเร็จ จะต้องฝึกตนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมีคำกรอนที่อยากจะฝากไว้ว่าทำไมจะต้องฝึกตนอันลิงข้างกลางปากจับมาหักสารพัดฝึกได้ดังใจหมายเกิดเป็นคนฝึกฝนจนตัวตายถ้าเอาดีไม่ได้เพราะอายลิงออบัณฑิตคนมันจะต้องฝึกตน แต่เป็นคนแล้วยังฝึกอะไรไม่ค่อยได้เรื่องน ะ, ะมันไม่ได้พัฒนาไม่สมกับเป็นบนัณฑิตเนี่ยอายลิงทันไรอย่างนั้นเรื่องเรียนภาษาอังกฤษที่ว่าเนี่ยได้เล่ามาแล้วท่านแต่งหนังสือเป็นภ า, าษาอังกฤษด้วยนะอ่านหมดแล้วละ่ะอย่างเช่นเรื่องไทยบ dhi สึมอินเดียบุริสัวเนี่เป็นตําราเรียนในมหาจุฬาท่านเขียนเองนะเป็นภาษาอังกฤษนะทั้งเล่มเลยฟร e ดอมอิ d ดิวนะิชวลในโซเชียลเนี่ยเข้าใจว่า เป็นปาจากถฐาไปนั่งฟังท่านแสดงปา่จาจักถาตอนนั้นเรื่องอน่าจะเป็นเรื่องอุดมศึกษาของโลกะ น, นะที่โรงแรมเอเชียไปนั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องฟรีเรื่องสันติภาพเรื่องแรต่างๆเอาละนี่ก็คือสิ่งที่แสดงถึงว่าเวลาที่เราเรียนเนี่ยท่านพัฒนาตนเนี่ยมันมีสามรูปแบบ หนึ่งการศึกษาในระบบเจ้าประคุณสาเร็จเรียนในระบบคือประโยคเก้าคือมหาจุฬาก็ได้ปริญญาตรีนอกระบบการศึกษานอกระบบเช่นการศึกษาผู้ใหญ่ท่านก็ไปเรียนพอมอสอบเทียบเอาเป็นว่านอกระบบและการศึกษาตามบัทยาศัยเรื่องการศึกษาตามบัทยายเนี่ยแปลว่าเรียนเองตามที่เราชอบ ถ้าเราชอบวิชาไหนเราเราไปแล้วไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยเราไปเรียนเองเราจะเก่งทำไมคุณสตีฟจ็อบส์ทำไอโฟนไดได้เขาเรียนจบไหมไม่จบเรียนมหาวิทยาลัยรีชแต่มันแพงสองปีเรียนสองปีไม่มีค่าเทอมรอบเอาเลยออก จากมหาวิทยาลัยแต่คุณสตีฟจ็อกเรียนตามอัธยาศัยเมื่อเขาไม่มีปัญญาจ่ายค่าเทอมเขาออกเรียนสองปีแต่เขารักความรู้สตีฟจ็อกเตยนะรักความรู้อย่างไรไปเรียนในวิชาที่ชอบไอวิชาที่เขากำหน ด, ดให้เรียนไม่ชอบไม่เรียน ในมหาในในสาขาที่เขา drop out เขาออ ก, ก น, นะอีกสองปีนะเขาไปเข้าเรียนวิชาที่เขาชอบเขารักไม่มีค่าเทอมทำอย่างไรก็ไม่จ่ายเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีค่ากินไม่มีค่าหอพักอาศัยนอนกับเพื่อนในหอพักสตีฟจับเนี่ยตัวเองเคยจ่ายได้มีห้องเหรอไหมพอไม่มีค่าเทอมไม่มีค่าห้องพัก มานอนกับพื้นในหอพักของเพื่อนเพื่อนนอนเตียงอาศัยสิงอยู่ตามหอพักอันนี้อันนี้สตีมจ็อบเล่าเองในปจาจกถฐาตอนที่เขารับปริญญาคิตเมื่อสั์เขาสิงอยู่ในหอพักแล้วไม่มีค่าอาหารทำยังไงรู้ไหมเก็บขวดโค้กขวดเปบปซี่เนี่ยเอาไปขายคืนได้มาขวดละห้าเซน เอามาจ่ายค่าขนมปักแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เดินไปโบส์ไปวัดไปกินอาหารฟรีวันเสาร์วันอาทิตย์จงพออยู่เรียกว่าเกือบสี่ปีนะจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ปริญญาแต่เขาชอบคอมพิวเตอร์เขาไปร่วมกับเพื่อนชื่อวัสดีเอาโรงรถของพ่อของพ่อเนี่ยทา ที่ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์กลายเป็น iMac เป็น Apple ทุกวันนี้นี่คือการศึกษาในระบบบวกการศึกษาตามอัธยาศัยเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เหมือนความไม่ได้เคยเรียนนะแต่เขาไม่มีบัญญาจ่ า, าเทิมแต่เขาก็หาความรู้มีความรู้เจ้าประคุณสมเด็จเรียนมหาจุฬา แต่มหาจุฬาไม่ได้สอนทุกวิชาที่ท่านชอบภาษาอังกฤษก็สอนไม่ถึงเรียกว่าถึงระดับท่านก็เรียนเองเมื่อต่อมาท่านปาจกถาเรื่องเศรษฐศาสตร์ในมหาจุฬาก็สอนเศรษฐศาสตร์แต่บรรณิตมันเป็นเบื้องต้นท่านก็มาอ่านเอาเองนิติศาสตร์เราก็เรียนในมหาจุฬาเนี่ยสมัยที่เจ้าพระคุณสาเร็จเรียนแะที่ผู้ผู้เรียนเนี่ย200หน่วยกิตเรียนกันเกือบทุกวิชา แต่เป็นเบื้องต้นหมนเลยก็เอาความรู้เบื้องต้นเนี่ยมาศึกษาต่อด้วยตวเนเองทําให้ความรู้ในระบบของเจ้าคุณสําเร็จคือประโยค9พอทบเกียตินยระดับ1เนี่ยเป็นฐานให้ท่านไปศึกษาเพิ่มเติมจนได้ปริญญาดุดษฎีบัณฑิตกิติมศักด์จากมหาวิทลัยทั่วโลกเนี่ยไม่ประมาณ20ดุดษีบัณฑิตกิติมศัก 20สบสาขาโดยประมาณเนี่ยเป็นศาสตราจารย์พิเศษของมอจลมหาวิทยาลัยมหาจราลงพลรวิทยาลัยเป็นราชบัณฑิตกิติมศักดิ์คนที่เรียนแค่ปริญญาตรีเนี่ยแล้วทำไมได้ดุษรีบัณฑิตจากทั่วโลกเนี่ยสสาขาเป็นอย่างน้อยเนี่ยเป็นศาสตราจารย์เป็นราชบัณฑิตเพราะท่านเรียนด้วยตนเองเพิ่มเติม วางแผนใช้เวลาในและนอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่าและที่สำคัญท่านมีภาษิตประจาใจอีกข้อหนึ่งทำอะไรต้องทำให้สำเร็จทำให้ดีที่สุดเอามาจากของพระเจ้าคำเต็มเต็มก็คือวายเมเถวะบริโสยาวะอัถสนิปทาเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไป จนกว่าจะสำเร็จสมปรารถนาใครที่อ่านบทพระราชนิพนของในหลวงรัชกาลที่เก้าเรื่องมหาชนกมหาชนกก็พูดประโยคคล้ายๆกันเวลาว่ายน้ำข้ามทะเลเจ็ดวันเจ็ดคืนเนีเทวดาไปถามมหาชนกทำไมม า, มาว่ายน้ำทันทั้นที่ไปเห็นฟังมหาชนกตอบว่า วายเมเถวปุริโสเกิดเป็นคนต้องพยายามรับไปประโยคเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องความเพียรของมหาชนกเนี่ยอยู่ในเจ้าประคุณสมเด็จมาตั้งแต่เป็นนิสิตนักศึกษาทำอะไรต้องทำให้สำเร็จแม้ว่าสุขภาพท่านไม่อำนวยนะป่วยกระสอบกระแสยอย่างที่เรารู้ในปร ะ, ว, ะวัติประวัตรของท่านก็เรียนจนจบอย่างดี และปัจจุบันนี้สุขภาพก็ใช่จะดีนะประชุมมหาเถรสมาคมไม่ได้นะลาตลอดนะสายตาเอยอะไรเอ่ยไม่อํานวยเลยแต่ก็เขียนหนังสือเพราะท่านถือคติตามพุทธพจน์พุทธศาสนาสารสุภาษิตนี้จนจบพุทธภาสิตนี้มีพุทธศาสนสารสุภาษิตนี้มีสี่แถวในภาษาบาีนะสี่แถวของแถวแรกอยูบนจอ เกิดเป็นคนบัวพยายามร่ำไปจนกว่าจะสำเร็จสมปรารถนาอีกสองแถวคือนิพพันโนโสพิโนอัตถาขันตยาพีโยนวิชติมันต่อกันนะแต่คนส่วนมากไปตัดครึ่งเดียวถ้าไม่อ่านต่อเราจะไม่เข้าใจเจ้าประุลสำเร็จอ่านสองแถวนี้ประโยชน์งดงามเมื่อทำสำเร็จ เพื่อความสำเร็จไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าขันติความอดทนเวลาเราเรียนนี่ลำบากใช่ไหมแต่วันไหนที่รับพระราชทานปริญญาบัตรนี่มีความสุขความอดทนเป็นความผมคืนแต่ผลของมันหวานชื่นเสมอเพราะฉะนั้นท่านลาบากจะป็นคสำเร็จเนี่ยนะกว่าจะเรียนจบกว่าจะแต่งตาราได้สักเล่มนึง แต่พอสำเร็จออกมาแล้วนี่ชื่นใจงดงามเมื่อทำสำเร็จแต่ท่านลาบากตรากตรำทนลาบากทนตากลรำทนเจ็บใจขนาดไหนนี่คือขันติความอดทนเป็นเป็นหัวใจของการทำงานของท่านนอกจากสติปัญญาแล้วเนี่ยท่านสู้ฉะนั้นท่านจงสอนให้คนเนี่ยสู้สิ่งยากเนทุกยา ใ, ให้มันทุกยาก เนี่ยแต่สุกง่ายไม่ใช่สุกง่าสุกง่า ย, า ย, ายแต่ทุกยากคนที่จะทําสําเร็จเหมือนอย่างจเจ้าประคุณสาเร็จเนี่ยต้องท่องบทรอนต่อไปนี้เกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั้งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังตั้งมารถ ห, หวังไวเ้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายคนทั้งปราดทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจ ถ้าเราทอ้อเนืกอถึงจะบรรลุสำเร็จในการเรียนการสอบและจำบทกรนี้ไว้สอนใจว่าเนื้อภาพมหาชนกว่ายน้ำอ่ะเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยไม่ยอมแพ้เกินเป็นคนต้องพยายามรับไปนี่ก็คือกุญแจของความสำเร็จในการศึกษาทีนี้ท่านปฏิบัติไหมล่ะเมื่อกี้พูดมาแล้วนะศึกษาปฏิบัติ ในการปฏิบัติคือปฏิบัติตามไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาศีลท่านเจะประคุณสมเด็จเนี่ยรักษาศีลศีลาราจารวัตรเรียบร้อยงดงามเป็นพระสุปฏิปันโนอันนี้เราเห็นชัดประเมินได้เลยแต่เรื่องของสมาธิละ่ะและก็ปัญญาละ่ะท่านปฏิบัติอย่างไรท่านมีสมาธิมีความจำเป็นเลิก ผู้ที่จะพูดเรื่องศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเทียบกับพุทธศาสตร์เนี่ยนะไม่ว่าจะเศรษฐศาสตร์นิติสาส ศ, ศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์วิทยาศาสตร์ศาสตร์ต่างๆเนี่ยจะต้องมีความรู้อย่างดีในศาสตร์ดั น, นั้นและคนที่จะมีความรู้อย่างดีต้องมีความจําเป็นเลิศจาเรื่องธรรมะอย่างเดียวเนี่ยไม่แปลกแต่เก่งศาสตร์ทั้งหลายนีย่แปลกมากเพราะท่านมีสมาธิดีท่านเรียนเก่ง ท่านเอาไปเทียบกับาศาสตร์ต่างๆได้ถามว่าทำไมท่านจึงเก่งตอบว่าเพราะท่านปฏิบัติท่านมีศีลาจรรวัดงดงามเพราะท่านมีสติสติคือใส่ใจกับปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้เฮียแอนน่าที่ฝรั่งเขาไปใช้เนี่ยคนที่มีสติจะตื่นตัวทั่วพร้อม รู้ทันปัจจุบันมองก็เห็นฟังก็ได้ยินไม่ใจลอยคนที่ไม่มีสติเรียนไม่เก่งเพราะสิ่งที่อาจารย์สอนมันไม่เข้าตาเราเขียนก็มองไม่เห็นพูดก็ฟังไม่ได้ยินใจไปอยู่นอกห้องเรียนเขาเรียกว่าไม่มีสติคนที่มีสติจะเรียนเก่ง ไม่ใจลอยหนึ่งคาบเนี่ยใช้เวลาเต็มเลยอยู่กับคำสอนของเลคเชอร์ของอาจา์ไม่โดดไปไหนใจคุมอยู่กับปัจจุบันมองก็เห็นฟังก็ได้ยินใส่ใจกับสิ่งที่เกิดเฉพาะหนะ้าที่เกิดกับเราเกิดภายในใจเราเราเดินขับรถไปเนี่ย มีสติในการขับไฟเขียวก็รู้ไฟแดงก็รู้ไม่ใช่ไปขับรถฝ่าไฟแดงคนที่ขับรถฝ่าไฟแดงโดนรถชนเนี่ยใจลอยไม่มีสติมัวแต่โทรศัพท์มือถือทะเลาะ ก, กับแฟนไฟแดงก็ไม่เห็นตายรถบรรทุกจอดอยู่ข้างหน้าขับเซยเลยน่าเสียดายสติ มองว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นอยู่ในห้องเรียนอาจารย์สอนก็ฟังก็ได้ยินแล้วเกิดภายในเราเรารู้สึกอย่างไรตอนนี้กําลังโกรธกําลังเครียดกําลังเหงากําลังเซ็งจัดการกับความรู้สึกของเราได้เพราะเรามีสติเหงาก็อย่าปล่อยให้เหงาแก้เหงาด้วยอะไรเซ็งขี้เกียจแก้ความขี้เกียจ เขาเรียกว่าจัดการกับตัวเองภาษาสมัยใหม่เขาเรียก Emotional Intelligence ความฉลาดในอารมณ์ตอนนี้เราเกิดอารมณ์อะไรยังไงอย่าปล่อยเป็นท่าของอารมณ์บางคนเนี่ยตกเป็นท่าของอารมณ์รักผิดหวังฆ่ากันตายฆ่าตัวตายเป็นผู้ไม่มีสติไม่เอาใจมองใจไม่ฉลาดในอารมณ์คนที่ฉลาดในอารมณ์ไม่ฆ่าตัวตาย ไม่เอาคอมเพรสเซอร์ของรถผูกขาตัวเองโดดแม่น้ำเรียนปีสามข่าวเมื่อวานนี่ไม่มีสติเพราะคนที่มีสติพอรู้ว่าตัวเองจะฆ่าตัวตายมันจะคิดเชิงบวกให้ไม่ฆ่าตัวตายคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงครูบาอาจารย์มันจะไม่ปล่อยให้เป็น่าตของอารมณ์ ถ้าจะคุณเจ้าพระคุณสมเร็จตั้งแต่ในวัยเป็นสามเณรเรียนหนังสือที่จัดการกับตัวเองไม่ต้องมีคนมาว่าปากเปลียนปากแฉะสอนตัวเองเพราะมีสติมีสติแล้วมีสมาธิสมาธิไม่ได้อยู่ในตํารานะสมาธิคืออยู่ในใจเราสมาธิคือตั้งใจมั่นไม่วอกแวกเมื่อเราจะปักใจฟังเรื่องอะไรมองเรื่องอะไรมองอยู่เรื่องนั้นตลอดสายไม่คิดเรื่องอื่นเลย ฟังอยู่เรื่องเดียวเขาเรียกเอ็กซับตาเอกซับตาแปล ว, ว่าคิดเรื่องเดียวคิดเรื่องเดียวยังไงสมมุติในวิชานี้คาบนี้เป็นภ า, าษาอังกฤษเราเบื่อเราไม่อยากฟังมันก็จะเอาเกมกดมาเล่นเอาแชทมาเอาอะไรมาเอาลน์มาเราไม่ได้มีสมาธิกับเลคเชอร์ของอาจารย์เรียกว่าไม่มีสติไม่ได้เปิดตาเปิดใจเปิดหูฟังอาจารย์และไม่มีสมาธิ เราคิดหลายเรื่องเดี๋ยวก็ดูคอมพิวเตอร์เดี๋ยวก็ดูโทรศัพท์ดูไลนเดี๋ยวก็เปิดโน้ต เ, เปิดนี่เรื่องที่ควรจะฟังควรจะอ่านไม่อ่านเราก็เลยไม่มีปัญญาแต่ถ้าเราปักใจอยู่เรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่วอกแวกไปเรื่องอื่นเลยเรียกว่ามีสมาธิในการอ่านมีสมาธิในการฟังเจ้าประคุณสำเร็จท่านจึงบอกว่าท่านมีสมาธิเพราะอธิบาตส ฉันทะใจชอบวิริยะขยันจิตตาเอาจิตจัดจดจ่อวิมังสาใช้ปัญญาสอบสวนเราชอบเรื่องไหนเราจะมีสมาธิในเรื่องนั้นถ้าเราชอบดูภาพยนตร์ดูละครทีวียันก็ถูกสะกดอยู่หน้าจอทีวีโฆษณาเข้ามาถึงจะรู้ตัวอินอยู่กับเรื่องนั้นนี่คือสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียน แต่เวลาพอเรียนเราไม่มีสมาธิเพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบเราเบื่อเราจึงไปหาเรื่องอื่นนี่คือท่านอยากจะเก่งในเรื่องไหนต้องฝึกใจให้ชอบในเรื่องนั้นบางคนบอกไม่รู้ฝังไปทำไมพระพูดในด ว, วันนี้ไ ม, ม่มีประโยชน์นั่นแหละท่านไม่มีฉันธาไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรทั้งๆที่มั น, เ ป, นเป็นประวัติเป็นงานที่ดีเอาไปเกิดไปบอกไปสอนเวลาเราไปเป็นครูเนี่ย เอาไปสอนนักเรียนแต่ตอนเรียนขอโทษไม่เคยฝงเพอไปสอนนึกได้แล้วเราจะต้องไปสอนเด็กแล้วเราจะเอาอะไราไปเป็นตัวอย่างไปสอนไม่มีฉันทะเราก็ไม่เกิดสมาธิไม่ชอบเพราะฉะนั้นอยากมีสมาธิเราต้องฝึกใจให้ชอบถึงมันจะเบื่อแต่มันมีประโยชน์ใน ว, วิชานี้นะเราก็ฝึกใจให้ชอบนี่คือเรื่องที่หเรื่องที่สอง บางคนเบื่อเพราะมันง่ายเรียนมาแล้วตั้งแต่หัวเท่ากับปั้นไ อ, อ้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากเรียนเราก็จะต้องเรียนสิ่งที่มันยากเรียกว่าวิริยะวิริยะแปลว่าสู้สิ่งยากถาไายเหมือนกับท่านเจ้าคุณอาจารย์นนสมเด็จเนี่ยเรียนไอ้เรื่องอยากๆที่เขาเชิญไปพูดดีนะเรื่องนิติศาสตร์เรื่องอะไรต่างสนุกมีวิริยะนะอย่างนี้ทําให้เกิดสมาธิจิตตะแปลว่าหมกมุ่นจดจ่อ ถ้าเราจดจ่ออยู่กับเรื่องไหนเราจะมีสมาธิอยู่เรื่องนั้นวิมังสา้ทาทายปริศนาธรรมโกอานอย่างศาสนาเซนเนี่ยพุทธศาสนากายเซนเนี่ยเขาจะมีปริศนาธรรมให้เราคิดคิดแล้วมันเกิดสมาธินี่นี่ก็เรียกว่าวิมังสาสมาธิท่านจะประคุณท่านเท่านก็ฝึกนะแล้วท่านสอนอะไรอีกก็คือเกิดปัญญา ปัญญาในทางปฏิบัติเนี่ยมาจากสองแหล่งที่ท่านเอามาสอนหนปรโ ต, โตโคษัแปลว่าฟังจากครูบาอาจารย์ อ, อ่านหนังสือเนีเสียงจากคนอื่นเราจะต้องเรียนรู้จากคนอื่นนี่เป็นปรัตโตโคสัแต่ปรั โ, โตโคสัพมีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ฟังเราก็จะต้องเปิดหูเปิดตาเรา 2. ฟังแล้วต้องคิดถ้าไม่คิดตามไม่วิเคราะห์ ไอ้ที่ฟังมันก็ไม่ได้มาย่อยเหมือนอาหารที่เราใส่ปากถ้าไม่ย่อยมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายฉะนั้นเราจะต้องย่อยอาหารการย่อยอาหารเรียกว่าการคิดให้มันถูกวิธีคือโยนิโสมนสิการในการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยเราเรามีแต่ท่องจำมีสัญญาแต่ไม่เกิดปัญญาจำกันอยู่นั่นแหละจดแล้วก็ ตอบตามที่อาจารย์ให้จดเอาเป็นตอบตามนั้นได้คะแนนดีคิดไม่เป็นเพราะคิดไม่เป็นก็ไม่ได้ความรู้เมื่อไม่ได้ความรู้ของชื่อเขาว่าอย่างไรเรียน He who ฮิวเลอร์บัต t าซ n งอ i สลอ t เรียนโดยไม่คิดเสียเวลาเรียนฮิ h ซิงบัต t าบัตเ o อร์อิสสินเกรนเดน a จอร์คิด โดยไม่เรียนเข้ารกเข้าพงเป็นอันตรายเราเรียนกันมากมายในมหาวิทยาลัยในในชั้นต้นต้นระดับมัธยมสามเนี่ยเราไปสอบแข่งกับทั่วโลกเนี่ยพิซซ่าเนี่ยนะทำไมของไทยันี่มาได้คะแนนน้อยอังกฤษวิทย์คณิตโลเลยแพ้แพ้เวียดนามแพ้สิงคโปร์แพ้อาเซียน ก็เพราะว่าที่เราแพ้กับเพราะาอะไรโดยเฉพาะในเรื่องของการคิดเราเราสอบคะแนนต่างๆเนี่ยสู้เขาไม่ได้กับเพราะว่าเราไม่คิดไม่เป็นอย่างเช่นคณิตศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้ถามหนึ่งวกหนึ่งเป็นเท่าไรสองบวกสองเป็นเท่าไรนะสิ่งที่คณิตศาสตร์ที่ เขาใช้เนี่ยในการสอบเนี่ยของปิ zza เนี่ยนะวัดไอ้สมรรถนะของเด็กไทยเนี่ยมันเป็นคําถามในชีวิตจริงสมมุติว่าเขาเรียกว่าคําถามมีโจย์นี่ยว่าถ้าเราไปตลาดไปซื้อของเท่านี้แล้วเขาคืนมาเท่านี้เราจะไื้เท่านี้มันเหลือเท่าไหรนะ่น่ะเอาสถานการณ์มาแล้วเด็กเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจคิดตีโจทย์ตอบไม่ได้ เด็กไทยเนี่ยถามทางครูที่คุมข้อสอบเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเราสอนเด็กเนี่ยสอนให้จับตีโจนไม่ออกทั้งทงที่คิดเลขเป็นก็ตกคิตศาสตร์เวลาไปสอบออวัดมาตรฐานโลกเนี่ยประเทศไทยมันจึงเป็นที่โลกเหตุไมาอย่างเดียวคือการศึกษาไทยเนี่ยในมุมมองของท่านจ้าคุณเจ้าประคุณสมเด็จขาดโยนิโสมนาสติกา เรียนจนท่องเต็มหัวหมดเรียนจบแล้วลืมแล้วตีความไม่เป็นคิดไม่เป็นพวกเราเวลาปริญญาปริย ญ, ญาโทเนี่ยจะรู้เลยทําวิิลยผลไม่จบเพราะอะไรที่ทําไม่จบไม่ใช่เพราะบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สาบทที่4ี่รวบรวมข้อมูลสถิติวิจัยอะไรต่างเนี่ยเก็บข้อมูลเนี่ยทำได้หมดแต่ตอนสรุปวิเคราะห์บทสุดท้ายทําไม่เป็น คิดไม่เป็นไม่ได้สอนให้คิดตั้งแต่ประถมมัธยมเพราะราดมศึกษาปริญญาตรีก็ไม่คิดปริญญาโทก็คิดไม่เป็นเรียนแล้วไม่รู้จักคิดเจ้าพระคุณสมเด็จคิดเป็นตั้งแต่สมัยเรียนเพราะฉะนั้นตอนที่มาแต่งตาราเนี่ยจึงเรียกร้องให้การศึกษาไทยเนี่ยเพิ่มโยนิโสมนสิการเข้าไปใน ตำราในการเรียนการสอนโยนิโสมรณสิการ์ไม่ได้สิการแ์แปลว่าคิดโยนิโศแปล ว, ว่าถูกวิธีคิดได้ถูกวิธีอย่างที่คงชื่อบอกว่าเรียนโดยไม่คิดเสียเวลาเรียนนั่นแหละโยนิโสมนณะสิการเนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยแต่งเป็นกรอนนะครับผู้พูดได้แต่งเป็นกรอนว่าอย่างนี้ว่าโยนิโสมรณะสิการท่านว่าไว้คือคิดเป็นธรรมใจในวิถีแห่งความจริงความงามและความดี ด้วยคิด4ประเด็นเป็นสำคัญการคิดแบบโยนิโสมนสิกาเนี่ยมีสสี่กลอบด้วยกัน 1. คิดอะไรก็ให้มีวิธีคิดเขาเรียกอุบายอุบายในการคิดปัจจุบันเราเรียกว่าเมทอด ولوج ีวิธีการอย่างรีเสิร์ชเมธอด ولوج ีเนี่ยระเบียบวิธีการวิจัยเนี่ยมันเป็นวิธีคิดเราต้องมีวิธีคิด ตั้งรวมจิตแน่วแน่ไม่แปรผันประถมมนุสิกานหมายถึงอะไรหมายถึงสมาธิอย่างเช่นเราทำวิจัยใช่ไหมเราจะต้องมีวิธีถามวิธีวิจัยเราคิดเรื่องแก้ปัญหาเราจะต้องหาสาเหตุหนึ่งมีปัญหาสองมีสาเหตุ3มวิธีแก้ไขก็คือคิดแบบอริยสัจส์4อันนี้เป็นวิธีคิดคิดแบบอริยสัจ4ี แล้วเวลาคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันต้องคิดไปตามระดับทุกเราก็ไปคิดอะไรไปหาสมุทัยคือเหตุบางคนเนี่ยนะทอคิดเรื่องทุกเนีแล้วก็ไปหาสมุทยัยจบอยู่แค่สมุทยัยว่าทําไมน้ําท่วมอ่ตอนนี้เรามีทุกเนี่ยน้ำท่วมไลมาแล้วแล้วแล้โหูน้ําท่วมแล้วก็ไปโทษสมุทยัยฝนตกเรื่องเขื่อนเรื่องอะไรต่าง ปี54ทําไมน้ําท่วมด่ากันอยู่นั่นแหละว่าใครเป็นเหตุจบอยู่แค่สมุไทยไม่ไปนิโรธไม่ไปมัจเขาเรียกว่ามันไม่ไปตามทางมันก็เลยไม่ไปหาวิธีป้องกันว่าต่อไปนี้น้ําจะไม่ท่วมอีกเพราะถ้าเรารู้ว่าสมุไทยมาจากอไหนนิโรธก็คือไม่มัแก้ปัญหาน้ำท่วมสําเร็จแก้ได้อย่างไรคือมัจ ปีนี้เนี่ยนะท่านรู้ไหมน้ําภาคเหนือเนี่ยมันมาพอๆกับปีห้าสี่เราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเราไม่รู้หรอกกลับไปอยุธยาไปสระบุรีไปอยุธยาชัยนาทอ่างทองเนี่ยคนในอยุธยาบอกว่าน้ํามันท่วมเหลืออีกคืบเดียวเนี่ยมันถึงชั้นบนที่เขาอยู่เท่ากับปีห้าสี่แล้วทําไมน้ําไม่ท่วมใหญ่เหมือนปีห้าสี่อ สมุทัยมักเพราะอะไรไปถามคนมันเยอะกว่จริงแต่คนข้าราชการอย่างเช่นทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่จังหวัดที่น้าท่วมเนี่ยเขาบอกว่ายัางไงเขาบอกมันจริงท่านมันเกือบเท่าปีห้าสี่พุ่นเลยนะแต่ความเสียหายกับผลผลิต ท, ทางการเกษตรกับโรงงานเนี่ยมันเสียหายถ้าเทียบกับปีห้าสี่เนี่ย น้ำเนี่ยมันเก้าสซของปีห้าสี่แต่ความเสียหายปีนี้เทียบกับปีห้าสี่มันแค่สิบเซสเของปีห้าสี่เพราะว่าเขาวิเคราะห์เขาเกิดปัญญาแล้วจะมีมรรกวิธีในการป้องกันอย่างไรถ้าน้ำมากเขาทำยังไงรู้ไหมเขาผัานน้ำพอน้ำมาเยอะๆเนี่ยนะไม่ให้มาเจ้าพญายอย่าเดียวหนึ่งเขาผัานน้ำให้ออกไปทาง ล้ำคลองไปทำแม่น้ําอื่นให้ไปท่วมจังหวัดที่ไม่เคยท่วมในปีห้าสี่เออให้ไปดูเอาเองว่าจังหวัดไหนเออฉะนั้นมันก็เลยกระจายความทุกข์เออไม่ใช่น้ําน้อยนะแต่มันกระจายความทุกข์แล้วถามว่ากระจายความทุกข์เป็นคุ้มไหมยอย่างน้อยมันไม่มันเสียหายแค่สิบเปอร์เซ็นตเหล่านี้เขาเรียกว่าดูให้คร็ข้อประทับมนุษยการ ตั้งรวมจิตแน่วแน่ไม่แปรผันใช้เหตุผลแก้ปัญหาสารพันปลุกใจอันเกื้อหนุนคุณธรรมมีการณะข้อสาการณะก็คือดูเหตุเขาเรียกว่าคิดแบบปฏิจจสมุ ป, ปาทอ่ะคนโบราณเ็าบอกว่ายังไงเสือผีเพราะเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยันดินดีเพราะหญ้าบางหญ้ายันเพราะดินดีเขาคิดเป็นเหตุเป็นผลแต่คนสมัยนี้ ตัดไม้ทำลายป่าน้ำมันก็ท่วมสินี่เพราะไม่ได้คิดแบบกาลณนะมนัสิการเราจะทำลายธรรมชาติแวดล้อมทะลเลาะทะเลาะ ก, ก, กันระหว่างมนุษย์ด้วยกันยังไม่พอนะยังทะเลาะ ก, กับธรรมชาติแวดล้อมตัดไม้ทำลายป่าทำแม่น้ำเน่าไม่ได้นึกว่าเหตุมันมาจากเราและเราจะต้องแก้อย่างไรประการที่สปุ ป, ปาท ก, กมนานสิการ ปลุกใจอันเกื้อหนุนคุณธรรมการคิดสามข้อแรกเนี่ยคิดให้เกิดปัญญาส่วนคิดข้อที่สเนี่ยคิดให้เกิดคุณธรรมทําไมคนไทยมันจะเกลียดกันมันจึงไม่รักไปสมัครเขมรก็เพราะสื่อบันยุ่เนี่ยมันเสียมนะมันปลูกระดมว่าคนนี้สีนั้นคนนี้สีนั้นมันไม่มีวิธีการคิดแบบว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันน่ะ มีศาสนาเดียวกันหรือพระเจ้าอยู่หัเดียวกันถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเกิดก็จะเกิดอะไรก็จะเกิดการมองโลกแงด่ดีมองโลกแงด่ดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลุกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณเห็นไหมว่าโยนิโสมนัสิการถ้าเรามองแง่ดีกันเนี่ยนะ เราไม่ทะเลาะกันหรอกมันจะส า, ารบัญคีกันจะเคารพครูบาอาจารย์จะเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ยยจะเป็นเด็กอ่อนน้องเพราะเรามีโยนิโสมนัสิการไม่ใช่ไปเชื่อไอ้พวกปุกปันมา่างไหนพ่อแม่ไม่มีบุญพุทธอะไรต่างเนี่ยไม่ใช่ถ้าเราคิดแบบพุทธศาสนาวัฒนธรรมมันอยู่ได้โยนิโสมนัสิการนี่แหละและคนไทยเราเนี่ยก็จะรักกันส า, ารบัญคีกันทุกวันนี้สื่อสังคมเนี่ย มันเป็นอโยนิโสมนาสิกาเมื่อเป็นอายนิโสมนาสิกาเนี่ยเราก็มองโรคแง่ร้ายมองโรคมองโลกแง่ร้า ย, ายกลายกับใจรับแต่เรือเ่องเถืองปุ่นเหนื่อยนายเลิกร้างทางบุญชีพพุ่นไหวเท้แน่เอืยนี่โยนิโสมนสิกาเนี่ยคิดเป็นเนี่ยในการศึกษาเราเนี่ยช่วยชาติท่านจะาพคุณสมเร็จท่านคิดเป็นตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษา และเมื่อมาเผยเมื่อเรียนจบก็เอาธรรมะที่ตัวเองศึกษาเล่าเรียนเนี่ยเผยแผ่เผยแผ่ให้ได้คุณสมบัติสี่ประการใครจะเผยแผ่จะสอนธรรมะต้องสอนให้ได้สี่สอบกายเป็นครูนี่นะจะไปสอนนักเรียนเนี่ยไม่ว่าเป็นวิชาประวัติศาสตร์วิชาไหนก็ตามต้องให้ได้สี่สอบจะเขียนหนังสือก็ต้องสี่สอนหนึ่งสรรทศนาแจบแจก ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากนิสิตนิสิตนักศึกษาเราเนี่ยเรียนครูไปต้องสอนให้ได้จจแจ่มแจ่มแจ้งเหมือนเห็นด้วยตาบรรยายไม่ได้ก็ใช้สื่อประกอ์อย่างขึ้นจอยอย่างนี้คือให้เรามานั่งทข้าสัมทนาสมาธิบานาจำไม่ได้แต่วันนี้ใช้สื่อประกอ์ช่วยเขาเรียกว่าสอนให้จแจ่มแจ้งสองจูงใจ ทำไมสอนประวัติศาสตร์กับสอนธรรมะไม่เหมือนกันสอนธรรมะยากกว่าตรงที่ต้องจูงใจให้เกิดศรัทธาแต่สอนประวัติศาสตร์แล้วไม่จูงใจเด็กไม่รักชาติเด็กไม่รักความเป็นไทยไม่รักภาษาไทยสอนภาษาไทยอีท่าไหนเด็กเบื่อภาษาไทยเพราะขาดสมาธนะินาการจูงใจ สมุตเตชนาแก้วกราสอนภาษาอังกฤษยังไงเด็กกลัวภาษาอังกฤษเจอฝรั่งไม่กล้าพูดเราต้องสอนให้กล้าให้กล้าแสดงออกให้กล้าพูดให้กล้าแสดงออกหน้าชั้นเป็นต้นให้กล้าถามเรียกว่าสมุตเตชนาะและสามประหังสนาล่าเริงไม่ใช่เรียนแล้วเบือ่ออยากจะผูกคอตายเรียนธรรมะต้องไม่น่าเบือ่อต้อง มีธรรมะบันเทิงมีนิทานมีเรื่องเล่ามีอะไรต่างๆเพราะธรรมะเป็นนามธรรมสอนธรรมะที่ฐานอย่างเดียวไม่ได้ต้องสอนบุคคลาทิษฐานถ้าจะคุณจะประคุณลสำเร็จมีเหตุการณ์มีเรื่องเล่ามีบุคลาทิษฐานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเผยการเผยแพร่ท่านสอนทํำไมโดยสรุปท่านต้องการให้เกิดปัญญาจะประคุณลสำเร็จบอกว่าปัญญาชีวิงชีวิตธรมาภูเสรษฐางเอาพุทธพจน์มา ปาทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตที่มีปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดต้องการให้สังคมชาวพุทธเป็นสังคมแห่งปัญญาไม่ใช่สังคมแห่งความหลับไหลไม่ไปติดในสัยสะเรื่องเรื่องเครื่องรางของถังลึกลับอะไรก็ตามหงงง่ายสังคมพุทธต้องเป็นสังคมของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิดบานผู้รู้คือมีปัญญาและ คนไม่มีปัญญาก็เหมือนคนตาบอดที่เหยียบไปได้แม้บนไฟที่ส่องทาง น, นี่ท่านอ่านบ่อยฉะนั้นปัญญาเนี่ยเราดูสิเรียนยังไงให้มันถึงปัญญาเรียนไม่ว่าจะเรียนพระพุทธศาสนาเรียนวิทยาศาสตร์เรียนคณนิตศาสตร์เรียนอะไรก็ตามตอนมีข้อมูลอยู่ขั้นแรกเนี่ยมันเป็น Data มันเป็นข้อมูลดิบเราเอาข้อมูลนั้น มารวมกันเป็นวิชาเป็นวิชาวิชาชีพครูเป็นวิช า, ช า, ชร ป, ชาประวัติศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เป็นอินฟอร์เมชันแลและอินฟอร์เมชันเนี่ยถ้ามันเอามาใช้ระดับปริญญาตรีเราเอามาฝึกสอนมันเป็น Knowledge มันเป็นความรู้เพราะความรู้นั้นทำให้เราเอาไปใช้ประโยชน์ได้เอาไปสอนได้เอาไปปฏิบัติได้ มันเป็นสกิลเป็นทักษะแต่สุตะไม่ใช่ปัญญาในภาษาบาลีเนี่ยนะสุตะเป็นโนเล e เพราะฉะนั้นคนที่เรียนมากจบปริญญาเอกเป็นพระหูสูแต่ไม่มีปัญญาก็เยอะแยะไปแล้วทำให้เกิดปัญหาคนที่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้เป็นสุตะปัญญาไม่ใช่สุตะสูงกว่าสุตะ มาดูก่อนว่าปัญญาคืออะไรดูพจนานุกรมนระฉบับราชบัณฑิตฐานนะนี่คือ knowledge ความรู้สิ่งที่เราสะสมมาเรียนจากครูบาอาจารย์มาอ่านมาฟังได้จำได้หรือฝึกมาภาษาอังกฤษขับรถเป็นความรู้เราเอาไปเอาบวกกับประสบการณ์ที่สะสมมาแล้วเอาไปใช้เป็นครูก็เอาไปใช้สอนเป็นเรียนภาษาอังกฤษก็ไปไปเป็นรากเป็นอะไรต่าง เป็นนิติศาสตร์ก็เป็นไปนักกฎหมายเหล่านี้เรียกว่าความรู้นะถ้าเรียนมาเอาไปใช้ไม่ได้มันเป็นความจำเอาไปใช้ได้เป็นความรู้เอามาพูดเอามาสอนอะไรได้เนี่ยเป็นโนเลจแต่โนเลจไม่ใช่ปัญญาปัญญาคืออะไรนรี่ปัญญาก็คือรพระเจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานบอกว่าคือความรอบรู้ไม่ใช่ความรู้นะ ความรอบรู้รู้ทั่วฉลาดเกิดแต่การเรียนและคิดเรียนคือ knowledge เรียนและคิดคือ knowledge คือความรู้ปัญญาคือ wisdom wisdom เกิดจาก knowledge าการศึกษาเนี่ยที่พวกเรามาเรียนเนี่ยนะได้ความรู้มันยังเอาตัวไม่รอดแต่ถ้าได้ปัญญาคือ wisdom เอาตัวรอดปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือภาษาไังก น, นะ ความสามารถในการยังลึกไปเห็นคุณสมบัติด้านในอินเตอร์โพลิติดูอะไรก็ตามเนี่ยนะอย่าดูผิวเผินเราจะได้แค่ความรู้อ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยอ่าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะเรารู้เฉพาะข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นความรู้แต่เขาไม่บอกเบื้องหลังหรอกเบื้องหลังแห่งปรากฏการณ์เนี่ยว่าทำไมมันจะเกิด ตอนนี้เนี่ยสมมติเราอ่านเรื่องไอซิสแตกพักพไายย่ายจ่าเจที่ซีเรียที่ที่รักโดนยึดดินแดนคืนเนี่ยไอซิสนะพวกอิสลามหองรุ่นแรงตั้งประเทศเองแล้วเราอ่านแค่นี้เราก็นึกว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีไอซิสแล้วไม่มีพวกที่จะเป็นผู้ก่อการลายแล้วเนี่ยอ่านแค่นี้คือไปติดอยู่ที่ความรู้จากข่าว นักวิเคราะห์ข่าวเขาบอกว่ายัางไงเขาวิเคราะห์ด้ยวยปัญญามันกําลังแตกกระจายเหมือนเชื้อโรคเชื้อโรคอะไรมะเร็งมันอยู่จุดเดียวที่ไอซิดที่ยึดอยู่เนี่ยไปตีมันแตกเนี่ยมันก็กระจายไปขับรถชนกันที่นู่นที่นี่ออกไปที่นั่นที่นี่ไม่เป็นมะเร็งการที่เรามีความรู้อย่างนี้เนี่ยเป็นปัญญาปัญญาคือรู้ลึกและก็รู้รอบ รู้รอบคือเห็น Relationship ถ้าเทียบกับธรรมะนะรู้รอบคือรู้ปฏิจจสมุปบาทเห็นสรรพสิ่งเชื่อมโยงกันหมดรู้ลึกคือรู้ใจรักษ์ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาว่างเปล่าแกณน์สารไมโครโฟนเรารู้ว่ามีไมโครโฟนอันนี้เป็นความรู้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรเอาไปพูดได้แต่ไมโครโฟนมาจาก การรวมกันของสรรพสิ่งในที่สุดแล้วมันก็คือนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนคืออะตอมมาเป็นไมโครโฟนรู้ลึกรู้ลึกแล้วในที่สุดนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนมันเป็นประจุไฟฟ้ามันเป็นความว่างความว่างนี้เป็นอนัตตาคือไตรลักษณ์เมื่อรู้ไตรลักษณ์เราเรียกว่ารู้ปัญญาไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญญานี้แหละ ทำให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องท่านเจ้าปคุณสมเด็จเผยแผ่เผยแร่นะด้วยการนิพนธ์พุทธธรรมอันนี้ทําให้เกิดปัญญาหนาเป็นพันหน้าเลยนะอ่านให้จบเช้าพุทธทัวไปแค่อ่านพุทธธรรมจบเลยนะเลือกว่าทําหน้าที่ในการศึกษาลวศึกษาธรรมะด้วยการอ่านพุทธธรรมที่ท่านเขียนและพุทธธรรมนี้ไม่ได้เขียนธรรมดานะ ศึกษาพระไตรปิฎกอัจฉริยะีกาลุนิก า, รการประกอบพิเศษแล้วจึงใส่อัตโดมัติความเห็นของท่านลงไปจึงเป็นความรู้ที่ถูกต้องหนังสือพุทธธรรมเนี่ยเป็นตํำราหลักเป็นเพชรน้ำเอกในวรรณกรรมทางพุทธศาสนาเป็นนักศึกษาไม่ว่ามหาวิทยาลัยไหนอ่านพุทธธรรมให้จบชื่อว่าอะไรทำหน้าที่คือศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วนอกจากพุทธธรรมแล้วท่านประยุกต์พุทธธรรมเนี่ย เพื่อแก้ปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์และปัญหาทั่วๆไปเอาพุทธธรรมบริสุทธ์ไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาเราเรียกว่าธรรมะประยุกต์งานนิพนธ์และงานสอนของท่านมีสองเรื่องหนึ่งคำสอนหลักคือพุทธธรรมพยายามไปอ่านพจนานุกรมพุทธศาสตร์พุทธธรรมอะไรต่างธรรมบุญชีวิตเรียมยามาจากพระไตรปิฎกเนี่ยเราเรียกว่า เป็นแกนพุทธศาสนาแล้วเอาพุทธธรรมเนี่ยไปประยุกต์เป็นร้อยๆเรื่องเป็นเป็นพันเรื่องประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ต่างๆไปอ่านเธอแล้วไม่ว่าในเรื่องของการศึกษาเรื่องครูเรื่องอะไรต่างๆไม่หมดเราก็จะกลายเป็นครูที่มีคุณภาพในมหาวิทยาลัยจะต้องเอาเรื่องเหล่านี้ไปสอนนิสิตนักศึกษาแล้วท่านทำได้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะท่านเรียนทุกเรื่องตามพุทธศาสนาสุภาร ส, าสาิตนี้ ที่ว่านี้นะสับทานสุ ต, รตารมธีเยถาหีนัพุทธุธรรมจิมังเนี่ยพระพุทธเจ้าสรงเสริมการศึกษามไม่ว่าจะเป็นศาสตร์สถาไหนก็ตามเอามาประยุกต์เข้ากับพุทธศาสตร์แปลว่าอย่างนี้ว่ากานความรู้ควรเรียนทุกอย่างไม่ว่าต่ําสูงหรือปานกลางควรรู้ความหมายเข้าใจทั้งหมดไม่ว่าเรียนอะไรก็ตามแต่ไม่จําเป็นต้องใช้ทุกอย่างวันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นจะนํามาซึ่งประโยชน์ พุทธศาสนสุภาษิตเนี่ยตรงกับงานของท่านเจ้าคุณจเจ้าประคุณสมเด็จท่านเรียนทุกพระพุทธศาสนากดลึกซึ้งเรียนศาสตรต่างๆกดลึกซึ้งเรียนทุกอย่างเข้าใจความหมายทั้งหมดแต่ไม่ใช่ว่าจะใช้ทันทีนะเก็บสะสมไว้อย่างหนังสือเอนไซคลเปเดียท่านสะสมไว้แล้ววันหนึ่งท่านก็มาเขียนกาลานุกรมนะกาลานุกรมนี่มาจากเอนไซคลเปเดียต่างๆแล้ว เวลาไปพูดปาฐกถาก็ถึงเวลาที่จะใช้ความรู้นั้นการที่ท่านทำอย่างนี้เนี่ยท่านสอนให้เกิดปัญญาปัญญาคือความรู้รอบเชื่อมโยงและรู้ลึกคือไม่ยึดในตัวฉันของฉันไม่ติดในอีโก้เมื่อเราทำลายอีโก้อัตตาความเห็นแก่ตัวแล้วเชื่อมโยงเกิดเห็นคนอื่นเป็นบิดเป็นยากการศึกษาที่ท่านส่งเสริม จึงเป็นการศึกษาเพื่อสันติภาพเพราะทำให้คนลดความเห็นแก่ตัวและใส่ใจคนอื่นเมื่อใส่ใจคนอื่นก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่เบียดเบียนกันผลงานทั้งหมดที่ท่านทำมาเนี่ยให้การศึกษาที่ถูกต้องเป็นการศึกษาเพื่อสันติภาพจึงได้รับรางวัลและเป็นที่มาของบูลรียนที่นี้มาถึงประเด็นสุดท้าย ปกป้องคุ้มครองพระศาสนาได้เกิ่นมาแล้วว่าพระศาสนาเวลาที่จะอันตรธานเนี่ยมันมาจากภัยภายนอกและภัยภายในภัยภายนอ ก, าานอกาศาสนาอื่นมาลุกลานอย่างเช่นที่อินเดียาศาสนามาลุกลานอื่นมาลุกลานอย่างเช่นที่ศรีลังกาโปรโ ต, ตุเกสเนี่ยทำลายพุทธศาสนาในศรีลังกาจนทั้งประเทศเนี่ย ไม่มีพระพอจะนั่งอันดับบวชพระได้เลยห้ารูปก็ไม่เหลือนะโปรตุเกสได้มายึดครองลังกาเนี่ยจนสมมนนามเณรสระนังกรเนี่ยบวชพระไม่ได้เพราะขาดอุปชาขาดพระอันดับไม่ถึงหรูปในที่สุดสมมนนามเณรสระนังกรต้องทูลขอพระเจ้าแผ่นดินลังกาให้ส่งพูดมาขอพระจากประเทศไทยจากสยามเนี่ย ไปฟื้นศาสนาวงที่สีลังกาเมื่อ260กบว่าปีมาแล้วในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศลังกาเกือบศูนย์เลยนะพุทธศาสนาเนี่ยเพราะหายจากโปรตุกเกสนี้แหละทูตของลังกามาที่สยามได้นิ ม, มนต์พระอุบาลีนะจากวัดธรรมรมโดยพระเจ้าเป็นินพระเจ้าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยทรงเรือสเปลาไปกับพระอันดับไปบวช สามเณรสารนังกรและชาวลังกาฟื้นศาสนากลายเป็นนิกายใหญ่ที่สุดในลังกาปัจจุบันเรียกว่าสยามนิกายมหานายกาหรือสังคนายกของสยามนิกายเนี่ยถือกุญแจพระธาตุเกี่ยวแก้วอยู่ น, นเนี่ยมาจากที่ประเทศไทยเนี่ยไปช่วยฟื้นศาสนาในสีลังกานี่ก็คือบทบาทที่สาคัญที่จะต้องจารึกไว้ชื่อเต็มเต็มของนิกาย ศิลปการในปัจจุบันเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดนี่เรียกว่าสยามโมปาลีมหานิกายมหานิกายคือนิกายที่ใหญ่จากสยามโดยพระอุบาลีจึงชื่อว่าสยามโมปาลีมหานิกากไทยจากภายนอกต้อช่วยกันพันธมิตรต้องช่วยกั น, น, ททกนไทยจากภายในนี่น่าเป็นห่วงวิวเดียรันผู้แต่งประวัติศสตร์อารยธรรมโลกนี่เขาสรุปว่าอย่างไง เขาบอกว่าเขาศึกษาประวัติศาสตร์อรารยธรรมอียิปต์โรมันอินเดียอะไรก็ตามแล้วเขาสรุปว่าอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่จะไม่ถูกพิชิตจากภายนอกถ้ามันไม่ทำลายตัวเองจากภายในความอ่อนแอของอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันเกิดจากสนิมข้างในก่อนแล้วภายจากภายนอกมาลุกรามมันจึงล่มสลาย กุงศรีอุทยาที่แตกในครั้งที่สองมาจากความอ่อนเอภายในก่อนพม่าจึงมาเผากำแพงได้พระพุทธศาสนาในอินเดียอ่อนเอก่อนจึงถูกทำลายไม่มีใครมาป้องกันนี่คือวิธีคิดในการปกป้องทุ้มครองพุทธศาสนาท่านจจประคุณสมเด็จพยายาม บอกว่าตอนนี้สถานการณ์พุทธศาสนาเนี่ยในประเทศไทยมันเป็นวิกฤตเพราะความออนแอ์ของพุทธบริษัทความออนแอ์ของพุทธบริษัทเนี่ยมันเป็นตัวเรียกว่าเป็นสนิมข้างในที่บอลทาลายความมั่นคงรอวันที่ภัยจะภายนอกจะมากระทบแล้วล่มสลายสิ่งที่เจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ย เป็นแชมเปี้ยนเเป็นแม่ทัพตอนนี้เนี่ยนะในการที่จะต่อสู้กับกระแสภัยจักภายในกันเองนี่แหละและเราจะเห็นจัดงานประเภทอย่างนี้เยอะเลยที่ท่านพูดท่านสอนเช่นที่อยู่บนจอนี่ทวนกระแสสยยสะสสถานการณิษนาคลิกหายนนะเป็นพัฒนาความหายานะมันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ช่วยกันดูแล สนิมที่กัดกร่อนพระพุทธศาสนาสนิมที่กัดกร่อนพระพุทธศาสนาเนี่ยมสีสองประการด้วยกันประการที่หนึ่งเราพยายามเรียกว่าทําพระทำวิัยให้วิปริตทําพระทำวิไนให้วิปริตก็คือสอนผิดๆเอาศาสนาอื่นมาปมปนะอย่างเช่นคําของท่านเนี่ยว่ะ แทนที่จะดึงคนเข้าสู่ศาสนายิ่งขึง้นกลับดึงให้หลุดไปจากพระศาสนาจากพระศานตรัยออกไปหาพระพรหมเทพเจ้าสิ่งลึกลับต่างๆวัดที่น่าเป็นห่วงเนี่ยวัดต่างๆเนี่ยสร้างรูปเคารพเทพเจ้าศาสนาอื่นเนี่ยใหญ่กว่าพุทธเจ้าอีกคนเข้าไปวัดเนี่ยนะแทนที่จะไปไหว้พุทธเจ้าในโบสถ์เนี่ยนะไปไหว้เทพเจ้าอยู่ตามสิ่งแย่ตามหน้าวัด น่าเป็นห่วงมากแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นในอินเดียนะนี่แหละโดนกึนพระ อ, นะอย่างนี้แหละเรานึกหลับตาวาดภาพว่าสมัยก่อนที่มันโดนกึนก็เพราะว่าเอาพระนารายณ์มาตั้งไว้หน้าวัดพระพุทธเจ้าเลยเป็นนารายณ์อวตาน่ะก็แบบเดียวเนี่นะวันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะเป็นพิฆเนศนะนะโอ้พิฆเนศใหญ่ที่สุดอยู่ตรงไหนหน้าโบสถ์นั่นแหละเนี่ยอันนี้ก็คือพวกเราเองนี่แหละชัดน้ําเข้าลึกชัดศึกเขา้าบากเอาไสายศาสตร์เข้ามา อ่อันนี้เออไปดูสิเนี่ยโอ้ใหญ่ที่สุดนโลกนึกว่าอยู่สี่แยกเปล่าอยู่หน้าโบสถ์เออไม่ใช่โคตรนาแล้วพากันไปกราบนะให้ต่อต้านนะอย่าไปอย่าไปกราบไปไหวเลยแล้วก็ออกจากวัดไปเถอะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือไสยศาสตร์เออที่มันเข้าไปในวัดนะตอนเนี้เราเชื้อเชิญกันเข้าไปท่านจะท่านจะเป็นคนสุดท้ายบอกว่าไหวพระเครื่องอย่างดีกว่านะพระเครื่องยังมีโอกาส เข้าไปหาพระรัตนตรยัยแต่ไปไหว้พระอินทร์พระไอพระพระพรหมพระวิษุพระศิวะมันออกนอกาศาสนาไปเลยแล้วท่านก็ต่อต้านพุทธภาณิชย์เนี่ยขายสวรรค์ขายนิพพานขายกรรมฐานขายอะไรต่างๆนี่แหละที่จะทำให้คนเนี่ยหนีจากความพยายามของมนุษย์อาศัยแต่บนบางสารกล่าวอาศัยแต่ความศักดิ์สิทธิ์อำนาจทั้งหลายในที่สุดก็ไม่ช่วยตัวเอง ในที่สุดก็ไม่มีเยียวย า, ยามไม่เชื่อหลักเห่งกรรมไปอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่นนั้นก็ไปหาพระเจ้าไปเลยสิส่วนบ่นอ้อนวอนพระเจ้าะจริงๆพระเจ้าก็ไม่ได้ช่วยหรอกเพราะเขาบอกว่ายัางไงลดปลูกพืชลดน้ําปลวนดินแล้วพระเจ้าจะให้ผลแตงโมแก่ท่านเอาเข้อจริงเนี่ยต้องทําเองพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สยาศาสตร์ และถ้าเราทำอย่างนี้สอนแก่นพุษณนาพขุนศนจะอยู่ได้และไม่ถูกบ่อนทําลายจากภายนอกอย่าว่าแต่ผู้สอนเลยชาวบ้านเองนั่นหละไปไหนก็แบมือนะขออะไรเลขงวดนี้ออกอะไรขอเครื่องรางของขลังแจกหนังสือธรรมะนี่แจกฟรียังไม่เอาเลยนะไปทิ้งไว้กลางถน น, นก็มีเจ็บใจคนแจกนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาธรรมะเผยแผ่ธรรมะกันให้มาก เวลาที่เราปกป้องคุ้มครองพุทศาสนาท่านจะประคุณสมเด็จไม่ได้ทําเพื่อตัวเองไม่ได้ความทําเพื่อความสะใจไม่ได้เป็นอัตตาที่ปไตยใครจะยกท่านท่านด้วยรางวัลสันติภาพอะไรก็ตามหรือเป็นสมเด็จก็ตามไม่เกี่ยวกับท่านท่านทําเพื่อพระศาสนาไม่ได้ต้องการให้คนอื่นมายกย่องแต่ท่านทําเพื่อทํามาที่ปไตยบูชาพระธรรมถ้าจะยกย่องให้ไปยกย่องพระธรรมการที่ได้รับสถาปนา เป็นสมเด็จถ้าจะมีส่วนนี้เนี่ยในส่วนตัวที่เห็นเนี่ยคือทําให้คนอ่านหนังสือพุทธธรรมกันมากขึ้นทําให้มีคนเอาไปพิมพ์หนังสือของท่านมากขึ้น่ดีใจนะในส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้มาอ่านกันเยอะขึ้นนั่นแหละคือทํามมาที่ปไตยและนั่นแหละทําให้วันนี้เนี่ยมาพูดเรื่องงานของท่านได้มีโอกาสพูดไมงั้นเนี่ยผมไม่รู้จะไปพูดเมื่อไรเนี่ยนะเพราะท่านเป็นสมเด็จเขาทึ้งมนันิมนต์นเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าต่อไปนี้ บทบาทพุทธบริษัท4เนี่ยต้องทำอะไรบ้าง 1. นงึเราต้องเดินตามรอยของท่านท่านเขียนหนังสือไว้เป็นร้อยๆเลือกพันเลือกอ่านฟังและแล้วก็เอามาปฏิบัติปฏิบัติแล้วอย่าอยู่เฉยเรียนจบไปแล้วช่วยสอนธรรมะให้กับลูกศิษย์สอนแทรกย่างนดีแต่งตำราอะไรต่างๆด้วยการเผยแพร่ธรรมะและช่วยกันเป็นปากเป็นเสียง ว่าศาสนาเนื้อแท้เป็นอย่างนี้ศาสนาเปลือกกับพีเนี่ยหรือศาสนาปลอมปนปลอม ป, ป, ปเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นกระบอกเสียงถ้าไม่รู้ว่าคืออะไรอ่านงานของท่านเจ้าคุณเจ้าปุณส์สมเด็จพระพุทธโคาจาักรเราก็จะรู้ว่าศาสนาที่แท้เป็นอย่างไรเราจะปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนากันอย่างไรจะทําหน้าที่ของพุทธบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพในการศึกษา ปฏิบัติเผยแผ่ธรรมะและอุปถัมภ์ปกป้องคุ้มครองพุทธสนากันตามแนวที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านได้ดำเนินมาโดยตลอดนั่นก็คือบทบาทของพุทธบริษัส4ในการจันลงพระพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนไปชั่วกาลนานก็อ ข, อขอฝากท่านทั้งหลาย ไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขออนุมูลธนาท่านประธานและกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพและในทางมหาวิทยาลัยราชพัตนสวนสุนันทาที่ได้จัดโปรกรมในการเชิดชูผุ้นูปการของเจ้าประพลสำเร็จในครั้งนี้และทำให้เกิดการศึกษาเพื่อสันติภาพด้วยการมีปาตกถาครั้งนี้ขออานาจแห่งบุศร ขอละบุญและความดีอันนี้และอำ น, นาจแห่งคุณพระศรีรันตนตรัยของขอจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชักเป็นพลวัตปัจจัยถวายเป็นการบูชาคุณเพิ่มบารมีธรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจา ร, ออารย์ปออมยุตโตยิ่งยิ่งขึ้นไปขอทุกท่านได้รับปฏิพรย้อนสนองให้เจริญงกงามไพศาลในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวั น, นะสุขภ า, ลารลปะติภานธรรมาสารสมบัติธนาสารสมบัติปราถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปราถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมโมโรสมุ่ง ม, มา่ปราถนาทุกประการตลอดการลับนานเทิน